ดูที่ไปไปกี่ครั้งหรือยางกินจะหมดฮะฮะใช่ใช่่คือบางคนเนี่ยเขาผู้นี้เขารู้ว่าไร่ที่เขาจะทำได้ยังไงนะเขาก็พยายามมามาทำยางไงแต่วันนั้นตรงนี้จริงนน เราจึงใช้ทั้งในทางขาจัดและก็ป้องกันนะแต่ว่าวิธีที่ดีคือจะต้องป้องกันป้องกันอเวลาใช้จริงๆก็ต้องทั้งป้องกันและขจัดนั่นแหละเพราะว่าเราเองบางอย่างยังไม่เกิดก็จะได้ป้อง ก, กันบางอย่างที่เกิดแล้วก็จะได้มรรสเต่าไป <c oughs> มันมีมีที่ว่าทํายังไงก็ไม่ยอมไปไอคือมันคงจะไม่ใช่เป็น เ อ, อก็เคยเจอนะะแต่ว่ามีมีรายที่คุณสุธยาเคยผ่านเคยผานมาที่เคยาาเเจะเคยมาที่นี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเคยไปไปเจอพงษ์ธิโยพูดครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกันกันสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะฮะ อ, อแม่แล้วก็เขาเล่ารายละเอียดมาครับไปที่ไห น, นมาอย่างไงนะเป็นเรื่องของคุณไก่นะห้าแม่เขาโดด แล้วก็มีอะไรที่ลึกลทีนี้ก็ลกูลกเขาเนี่ยเขาก็ทํางานเขาลูกกระจบวิทยาศาสตร์ที่ไดที่หนึ่งมาผมก็จำไม่ได้แล้วนะจบไปแล้วนี่ก็คุยกันวันนั้นก็ก็ไม่ได้อ่าตามติดไม่ไม่ได้ตามแก้ไขอะไรกันนะก็รู้สึกว่าเขาคงเราก็ก็คือกป็นแหม่เรื่องใหญ่มันกัน เขาก็เขาก็ไปหลายที่เจ้าที่พระราบเนีชยไปหลายที่ก็ยังผูกพันเหนียวแน่นอ่าทีนี้ไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นเป็นวิธีที่ผมแก่ถ้าจะผมเสนเอให้ทําเนี่ยคือว่าเราต้องใจยเย็ยนแล้วต้องทําด้วยวิธีทางบุญ น, นะไอ้ทแก้แก้ด้วยวิธีทางปััยศาตร์อะได้วยวิธีทางบุญเนี่ยเป็นหลักแล้วก็อาเจ้าตัวเองต้องสามารถที่จะรับทําได้ แต่รู้สึกว่าบางทีเจ้าตัวจะดื้อๆหน่อยเจ้าตัวเนี่ย น, นะจะดื้อๆแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้คือ ท, ทางฝ่ายคนเป็นนะต้องขนไกวต้องขนไกยเหมือนอย่างอย่างรายที่ผมผมรับเนี่ยหลายหลายตัวตายเนี่ยเขาเขาขนไกวขนไกวามากคือมีมีใจที่จะขนไกวาทาแล้วก็ดูแล้วก็มีพื้นฐานแล้วก็รู้สึกเออเราอาจจะต้องต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือเขาอาีจะเคยอะไรกันมาอย่างเงี้ย น, นนะแบบนึกไว้ ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าแก้ไขได้ยากแก้ไขได้ลำบากก็เลยโดนงับอยู่จนทุกวันนี้มะ้ก็อบอกว่าโดนงับงับจนเที่ยวโกรวคือในในภาพที่เขพูดถึงนะั้นแล้วจะแนะนำไปหาที่จะแพทย์ตาหมอยี่ไหนกินยาก็ไม่หายอะ่ะ พูดว่าเราเราเกิดไปตกปากรับคนดูแลคนอย่างนี้ครับแค่สองคนเนี่ยครเราอ่านแล้วอ่านหมายว่ามันไม่ไใช่ใช้เวลาน้อยถ้าจะหวังผลกันนะอ่หมายมันต้องคุกคลีมันแล้วมันต้องต้องทําให้คนคนที่เป็ น, นีช่วยตัวเองให้มาอาศแรงคนนั้นอ่าอ่าฮ่าฮ่าใช่ใช่ใชต้อ ง, งเราต้องทําแบบต้องทําขึ้นอยู่ในใจเลย ต้องนึกถึงอยู่เรื่อยๆอ่ออาน้ําขึ้นอย่าใ น, นเป็นเป็นความคิดประจํำเราเลยมันนึกถึงเมื่อไปทําอะไรน่นะฮะแล้วเขาเองต้องต้องคือเราต้องพยายามให้เขาช่วยเลยให้มากแล้วเราไปช่วยตังส่วนที่เราพอจะช่วยได้ไอ้ข้าจริงเนี่ยมันแค่เปลี่ยนตะเพียงเราเป็นเครื่องมือกับเขาเล็กน้อยอ<า>อเท่นาน้เองเะเป็นเรื่องแค่ปากรรมเรื่องเบาบุญกุศลของครับ หมายถึงใผร่างกายเราเละคือถ้าเป็นลักษณะของการแผลเมตตาเนี่ยไม่อ่อนแอนะถ้าเป็นรูปของการสะกดจิตเนี่ยเหนื่อยเครียถ้าแผลเมตตาเนี่ยมันจะเป็นการให้แบบเบาๆและเราจะรู้สึกดีขึ้นด้วยถ้าถ้าใช้สะสะกดจิตใช้เลยเสียพลังหรือพุณถ้าใช้ทางฝังกินแหละถ้าใช้ในทางทางทางภาวนาทางธรรมเนี่ยได้แหละ ได้แรงทุกทีแต่มันเสียเวลาแล้วก็เสียที่เราจะต้องเอามาเป็นอนุสติของเราอย่างค่อนข้างมากแต่บางรายก็อสองอาทิตย์หลุด แ, แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะหลุดในเวลาเมื่อไหร่อ่ะก็เป็นเรื่องเราฮะฮะถ้าไม่มีไม่ตรงฮะพอะตรงนี้เราก็ต้องมีวิธี คุ้งกรองตัวเองอ่าคุ้มกรองตัวเอง ก, ก็ก็ถึงจะได้มาพูดกันเนี่ยว่าอ่าก็ตัวเนี่ยจะได้พูดต่อไปเรื่อุ้มกรองเนี่ยนะมันมันมีบทที่จะพูดอ่าอ่าถึงต้องสร้างนอถนวนคุ้มตัวเอาไว้ก่อนก็จะไม่ไม่เข้าตัวเราเพราะเอาความบริสุทธิ์เข้าว่าเป็นเป็นถนวนที่ดีที่สุดอ คือเรื่องได้เนี่ยอย่าว่าแต่ศีลห้าเลยศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดยทําได้เลยเพราะไ้ได้ไม่ได้เนี่ยไอ้ศีลหรืออะไรเนี่ยมันเลอกปัจจุบันเหแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเนื่องมาจากอดีตเหตุเนื่อมาจากอดีตเหตุดังนั้นแม้แต่เป็นพระแล้วเนี่ยบางทีก็ยังไม่พนเลยเกิดในกรณีที่พระไปทรงพกผีแล้วเขมาทําอะไรไม่ดีไม่ได้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ มีไลน์ผมกำลังเตรียมจะไปดูหน้าดูแล้วผมอาจจะเป็นไยงเขาเหมือกันแต่นี้เราพูดชัดไม่ได้นะพูดชัดไม่ได้แต่เราก็รู้อยู่กับในคนกลุออ่มผมพาไปดูหน่อยแต่เราเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้นะถ้าพราะโสดาบันเนี่ยโดนนิดนิดหน่นอยหน่อ ย, อยได้โดนอาจจว่าโดนใจอะไรอยางนี้บ้างน้าน โดนโดนใจโดนบางตาอะไรอย่างนี้นะเป็นไปได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ไม่ได้เด็ดขาดแต่โสดาบันไปโดนนิดหน่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยไม่มีเวรไม่มีกรรมก็ไม่เป็นรเพราะนั้นเราเองมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราใช้เมตตาเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญคุ้มตัวใช้พลังบุญคุ้มตัวด้วยภาวนาขอน้อนี้ที่พุทเจ้าทั้งสอนครับ ว่าเวลาไปอยู่ป่าอยู่เขาไปถือโสนาชนิคังกะเนี่ยมันเสี่ยงมากเพี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ที่จะไปเกิดเรื่องปรญหาขึ้นนตรงนี้ก็เราเราก็ปกป้องแล้วก็คือป้องกันแล้วก็แก้ไขเอาละทีนี้มาว่าถึงในทางปฏิบัติ จากที่มาฝึกที่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอา่ในสภาพอย่างนี้ความพร้อมฝึกสู้บางทีไม่ได้นะบางที่สมาธิทำที่กระนิพันเนี่ยจะโดยมาเป็นพวกคุณก็การฝึกเข้ามานั่งกับปิดห้องแล้วก็นั่งสมาธิทํากันทําแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างอย่างตามบทต้องอย่างทีนี้ตรงนี้เราพื้นฐานนั้ไม่เท่ากันนั่นทำฟังบรรยายแล้วก็ฝึกไปบ้างนิดนิดหน่อยอาจจะพอได้คือฝึกนานไปก็งงอีก ถ้าไม่ตัดบางชั่วโมงนะแต่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางรายก็อาจจะจ ะ, จะตามได้บางรายก็ตามไม่ได้แต่จึงอยู่ที่คนคนส่วนนี้พอตามไม่ได้แล้วมันก็หมดสนุกมันก็หมดสนุกทําไปง่วงไปไ ง, ง่อยเงาเงๆสนุกสาหรับตัวเองนะบางรายจะทําได้ก็สนุกทำยังไงก็ตามได้ทุกอย่างไอ้ตัวนี้ถึงเป็นเรื่องพื้นด่านเอาละการนี้ ผมจะให้ทนลองทำเป็นช่วงๆไปนะเวลาที่เราจะาขับไล่สิ่งชั่วออกจากตัวถึงการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราทาจะทำเพื่ อ, อ, อปฏิเสธอะไรที่ไม่ดีไม่ดีคนไม่ดีเราต้องเริ่มจากการ แต่เม่อ้ า, าแล้วก็ปฏิเสธหรือสลายหรือคืนคลายความชั่วของเราเสียก่อนวิบากกรรมในตัวของเราเสียก่อนที่อยู่ในตัวเรานะนั่นก็ลองขอให้หลับตาหลงใครที่ทำไม่ได้ก็ขอให้หลับตาเพื่อลองทำเพื่อรู้วิธีว่าวิธีทำอย่างไรและท่านทำได้แค่ไหนท่านที่ทำได้ก็ขอให้ทำไปเลยอัทนที่เคยฝึกสมาธิมาเริ่มต้นเนี่ยับขอให้ ตั้งสติไว้ที่ใจก็ได้หรือที่กลางกระหม่อมก็ได้หรือที่หน้าก็ได้สมมติว่าอาจจะให้ท่านทําโดยการตั้งจิตไว้ที่หน้าการที่เราตั้งจิตไว้ที่หน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเราอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้น แ ล, แล้วเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกเราอยู่ตรง น, นั้นขอให้เรานี่เป็นการให้พรปการแผ่เมตตาเราอยากเป็นคนดีเราอยากเป็นคนพ้นจากความชั่วอยากให้ความชั่วร้ายเนี่ยพ้นไปจากตัวเราสิ่งที่เป็นต้นตอของความชั่วร้ายภายนอกหรือสิ่งที่เป็นต้นตอ กำซาบซับสิ่งชั่วร้ายนิสัยชั่วร้าย อ, อำนาจชั่วร้ายลึ ก, กลับมองเห็นมองไม่เห็นเข้ามาสู่ตัวเราได้ก็เพราะว่าเรามีกิเลสมีนิสัยที่ชั่วร้ายในตัวของเราเป็นตัวดูดซับเป็นสื่อเป็นสะพานทอดรับเข้ามาตัวนี้แหละเป็นตัวที่น่ารังเกียจที่สุดควรจะให้พ้นไปจากตัวเรามากที่สุด จึงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกิเลสความรู้สึกฝ่ายต่ำที่เป็นความชั่วของข้าพเจ้าความเลวลายที่อยู่ในสันดานของข้าพเจ้าอยู่ในความรู้สึกนึกิดของข้าพเจ้าจงพ้นไปพ้นไปจากดวงหน้าของข้าพเจ้านี้ พ้นไปจากวาจาของข้าพเจ้าพ้นไปจากดวงตาของข้าพเจ้าศูนย์สลายหายไปอันใดที่เป็นความชั่วที่ข้าพเจ้ารู้อยู่ก็ตามรู้ชัดหรือรู้ไม่ชัดก็ตามหรือที่ไม่รู้ก็ตามขอให้อำนาจ เมตตาภาวนาที่แผ่ให้กับตัวเองอธิษฐานให้กับตัวเองนี้จงเป็นตะบะเป็นพลังสลายอุปนิสัยอันชั่วร้ายทุกอย่างนั้นให้สลายหายไปอันใดที่สลายหายไปได้ ขอให้จงหายไปฉับท่ันทันใดที่ยังสลายไปได้ไม่ทันทีขอให้อ่อนกำลังลงและเสื่อมสูญเสื่อมสิ้นพินนาการไปในที่สุดขอให้ความชั่วร้ายในสมองของข้าพเจา้าจงสลายไป ความชั่วร้ายในตัวในสลีละของข้าพเจ้าโดยลำดับไปจากนี้ทั้งหมดจงสลายหายไปศูนย์สลายหายไปในบรรยากาศหายไปได้โดยสับสนหรือหายไปได้ด้วยการได้พบกัลยาณมิต ได้ปรโตโขสัคือได้หลักการได้เหตุอันเป็นปฏิปทาเครื่องละความชั่วนี้ขอให้ความชั่วคลอมทั้งสิ่งเลวร้อื่นๆที่แฝงติดอยู่ในกายและใจของข้าพเจ้า ตั้งแต่ศรีรษะจะหลดปลายเท้าที่ข้าพเจ้ารู้หรือไม่รู้จงสลายหายสิ้นจงสลายหายไปราวกับอำนาจเมตตาภาวนานี้เป็นน้ำและเครื่องชำระล้าง ที่สบู่ธรรมดาทำความสะอาดฟอกให้สะอาดไม่ได้จงสลายทั่วผูกชำระล้างทั่วไปทั้งร่างและดวงจิตทั่วทุกขุมขนทั่วทุกขณะแห่งความรู้สึกนึกคิด สลายหายหลุดลงไปยังปลายเท้าและแห้งหายสนิทไปโดยไม่มีส่วนเหลือให้ตั้งจิตไว้ในเบื้องบนแล้วก็เลื่อนความคิดราวกับเป็นน้ำคิด จะโลมไหลไปทั่วร่างทั่วความรู้สึกนึงคิดที่อยู่ในสตรีล้านนี้ทั้งภายในภายนอกทำความรู้สึกประหนึ่งว่าเมตตาภาวนาเป็นน้ำทิพย์หรือเป็นน้ำมนต์ทิพนสักศิษ์ที่เมื่อ เลื่อนลดอาบซึมไปทั่วร่างถึงส่วนใดของร่างกายโดยลําดับขอให้ส่วนนั้นของร่างกายทั้งกายและจิตจงถูกปักฟอกชะล้างอับประมงคนความชั่วร้าย ให้หลุดหายไปหลายหายไปโดยสิ้นเชิงหายไปเหมือนกับเหล่ า, าน้ำลบสีสับและน้ำนั้นไหลไปถึงไหนก็ชำระล้างสิ่งโสโครกออกไปจากตัวสู่ทิศเบื้องล่างแล้วก็ไหล ศูนย์หายไปในพื้นปฏกิิให้กำหนดจิตจากข้างบนลงไปข้างล่างด้วยความรู้สึกว่าจิตของเราสมาธิของเราเมตตาภาวนาของเราเป็นเครื่องชำระล้างที่มีพลังมีอนุภาพ อย่างดีที่สุดนั่นเป็นการสลายไปในทิศเบื้องตางอีกอย่างหนึ่งขอให้ทรงจิตลงไปเป็นที่ที่เมื่อท่านปฏิบัติจิงให้ทำให้นานที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ทำอย่างใจเย็นที่สุด ทำให้เหมาะใจที่สุดเช่นท่านกำหนดจิตที่ลงไปด้วยความรู้สึกว่าท่านกำลังท่งพลังท่งกระแส ท, ที่เป็นเครื่องชำระล้างมนภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสมองส่วนหน้าส่วนหลังส่วนกลางหรือส่วนอื่นๆหรือที่ประสาทหูในช่องหูที่ใบหูทั้งสองข้างทำความรู้สึกว่าเมื่อท่านส่งจิตเพ่งจิตไปตรงนั้น จ่เป็นอำนาจเผาไหม้มนทถินเหมือนกับช่างทองที่ใช้กระแสไฟเผามนทถินของทองไล่มนทถินของทองให้สูญสลายไปจากเนื้อทองะ น, นส่งจิตเพ่งจิตไปยังอวัยวะต่างๆโดยลำดับ ตามสะดวกใจของท่านลงไปจนถึงปลายเท้านั่นเป็นวิธีหนึ่งในการสลายเจริยธรรมฝ่ายกลับสลายวิปกลกัมสลายอำนาจชั่วร้ายที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ ที่นั้นที่นี้เหมือนอย่างราโมคาลานะเฮงจิตขับไล่มานที่เข้าไปอยู่ในทองของท่านตามเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในมาระปันียสูตรในพระไตรปิฎกเล่มสิบสองสูตรสุดท้ายราโมคาลานะก็ทาอย่างนี้ อีกวิธีหนึ่งคือให้ทำความรู้สึกตั้งจิตไวที่กลางกระหอกแล้วก็ส่งความคิดนั้นจิตนั้นให้หมุนจ่อเข้าไปในกลางศีรษะ ให้นึกเห็นภาพท ร, รมรธิการในใจว่าจิต ท, ที่เจาะลึกลงไปจมลึกลงไปนั้นได้สำแดงอาการหมุนหมุนฝังตัวลงไปฝังจิตลงไปโดยลำดับพร้อมกับสลัดสลัดสิ่งเลวร้ายให้หลุดออกไป เหมือนกับเป็นกังหันหรือใบพัดที่ัดหมุนติว้วสลัดสิ่งชั่วร้ายออกไปโดยลำดับจากกลางกระหบอกไล่ลงไปทีละส่วนทีละนิดทีละน้อยท่าบางก็ได้ เร็วบ้างก็ได้จากศีษะไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นไปถึงศีษะท่านต้องการให้ท่านพ้นจากสิ่งชั่วร้ายอย่างไรก็ให้ใส่ความคิดความปรารถนานั้นลงไปลงไปใน ความรู้สึกที่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอีกเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างนี้เราจะได้ผลในทางสุขภาพด้วยและได้ผลในทางขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัว และการทำอย่างนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันสิ่งชั่วร้ายภายนอกที่ยังไม่เกิดไม่มีไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเราได้ด้วยด้วยวิธีการทำอย่างนี้หรือด้วยวิธีการส่งความรู้สึกลาดลด ลงไปทั่วตัวด้วยความสำเน็กว่าเรากำลังเคลือบตัวเราเอง wow. Wow. เคลือบตัวเราเองด้วยอำนาจของเมตตาภาวนาจิตเคลือบขึ้นเคลือบลงซ้ำไปซ้ำมาเคลือบไม่ใช่แต่ภายนอกผิวนอกเท่านั้นแต่ให้เคลือบ ซึมลึกซึมทราบเข้าไปั่วทั้งกายและใจทั้งภายในภายนอกถ้าหากเราตั้งความคิดเป็นลักษณะของกระแสพัดเหมือนใบพัดดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ให้เป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าตัวก็ได้ ตั้งเจตนาลงไปอย่างนั้นก็จะเป็นการคลุมครอะตัวเองหรือทำความรู้สึกแห่รอบตัวตั้งแต่ศรีรษนลงไปถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศรีรษะประหนึ่งว่า เรากำลังใช้ผืนผ้าทิ่อันละเอียดแต่มีตบบะมีพลังมีอำนาจเหมือนเป็นผ้ายันที่ถูกปลุกเสกด้วยจิตภาวนาอันเป็นกุศลบริสุทธินี้พันรอบทั่วตัวจากข้างบนลงไปเบื้องล่างจากเบื้องล่างขึ้นไปข้างบน แล้วแล้วเล่าเาเช่นนี้ก็ได้หรือส่งความรู้สึกว่ามีกระแสอันละเอียดเปลวควันอันละเอียดที่เราแผ่คุมตัวของเราครอบคลุมตัวของเราจากบนลงไปล่างและ หมุนวนเคลือบคลุมตัวเ่าเหมือนหมอกควันอันวิเศษเมื่อเราปรารถนาจะคุ้มครองตัวเราเองจากความชั่วภายนอกจากสิ่งเลวร้ายลึกลับภายนอกไม่ให้เข้ามาย่ายีบีทาเราในขณะที่เรา กำลังเดินเข้าไปสู่ป่าชา้าหรือเข้าไปสู่แวดวงของคำนักทรงเจ้าเก่าผีหรือเข้าไปสู่คนที่เล่นวิชาอาคมหรือในที่ใดที่หนึง่งที่เรารู้สึกไม่ไว้วางใจเช่นในที่ที่มีการตายโหงมีอุบัติเหตุตุ้แรง ก็ให้เราทำอย่างนี้จะทำให้เราั้นพ้นจากอำนาจหึกลับหรือเราไปนอนค้างอ้างแรงอย่างที่ที่ไม่น่าไว้วางใจก็ให้ทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยไว้ จะทำให้เราปลอดภัยอำนาจคุมตัวนี้นะคนที่มีสมาธิจิตลึกเขามองเห็นได้หรือพวกโอปาปติกาเขาจะรู้สึกได้เห็นได้สัมผัสได้จะเป็นของเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่เราใส่เจตนาลงไปถ้าเราใส่เจตนาคุ้มตัวเองลงไปกับอาการที่เราแพ้ให้กับตัวเองอย่างนี้ก็จะเป็นกรอกแก้วที่สิ่งเลวร้ายไม่กล้ามาแตะต้องอานาจึกลับไม่กล้ามาแตะต้องขอให้ จะทำโดยอาการอย่างนี้ถ้าเราจะคุ้มครองผู้อื่น <S <S ก็ให้ทำโดยอาการอย่างนี้ผู้อื่นหมายถึงคนที่เรา <S <S <S <S ต้องการจะดูแลคุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตราย อันตรายจากสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่เขามีอยู่เขาประสบอยู่หรือนิสัยอันชั่วร้ายที่เขามีอยู่เป็นอยู่ไม่ควรจะรู้สึกอย่างนั้น เราแผเมตตาให้เขานึกถึงผ้าของเขาว่าเขากําลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเวลานั้นหรือแผ่ไปที่รูปของเขาอธิษฐานไปที่รูปของเข า, า, รขเขาหรืออนุสาวรีของเขาหรือแม้แต่แผ่ที่ตัวเองด้วย ทำความรู้สึกว่าเขาและเรากําลังนั่งทับร่างกันอยู่ซ้อนร่างกันอยู่แผไปด้วยความรู้สึกว่าที่ตัวเรานี้มีเขานั่งอยู่ด้วยนึกถึงเขาแต่แผ่กิตไปที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นตัวแทน ก็เป็นผลไปถึงเขาตามสมควรแก่เหตุที่จะพึงได้ และแผ่ด้วยความรู้สึก ที่เราควรทำอย่างน้อยเราก็ได้ทำเพื่อสัมแดงความรู้สึกรับผิดชอบหรือสัมแดงความรู้สึกที่ดีต่อเขาเช่นเราทำให้เขาหายไม่ได้ก็ทำให้ตัวเราหรือตัวเราไม่ได้ ว่าทำให้เขาไม่เจ็บปวดอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เป็นการใช้อำนาจเมตตาโดยเฉพาะนอกนั้นยังอาจใช้อำ น, นาจร้องการหืือความหมายไปถึงผู้อื่นคือหาแนวร่ม ช่วยเขาอีกแรงหนึ่งหรือช่วยเขาอีกแรงหนึ่งก็เป็นสิ่งควรทำไปด้วยกันแนวร่วมก็หมายถึงเราแผ่เมตตาไปถึงผู้ที่มีแก่ใจหรือผู้ที่สมควรจะช่วยเขาทั้งที่เป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวหรือสิ่งที่เป็นมนุษย์เป็น เป็นเหตุช่วย มาสิงเข้ามามีอํานาจครอบงำเสือเป็นร่างทรงคดีหรือเพื่อจะมาสิงอาศัยกินอาศัยอยู่หรือเพื่อจะเข้ามาสิงเพื่อเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นซึ่งเป็นคู่เวรค ด, ดีหรือจะเข้ามาใช้อํานาจครอบนํากิตใจผู้นั้นแม้ในรูปอื่นก็ดี เวลาเราจะแพ้อติเสษพวกนี้ถ้าเราต้องการให้ออกไปจากชีวิตจิตใจของเราก็ให้แผ่สลังออกไปด้วยเจตจำนงด้วยวิธีการังกล่าวพร้อมทั้งแผ่บุญทำบุญรูทิศให้ด้วยเพื่อให้เป็นกำลังแก่เขา หรืออีกทีหนึ่งก็ให้เขาได้มาร่นทำบุญกัะเรบไม่ใช่เข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างไ น, นเราสามารถจะบอกความต้องการด้วยอำนาจเมตตาภาวนานี้และด้วยอำนาจ ยินที่ทำอุธให้แล้วแต่กรณีของสิ่งเลวร้วายลึกลับนะั้น มีสางว์ร้ายเราก็ควรจะแผ่อย่างนี้หรือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีคนไม่น่าไว้วางใจเราก็ทําพุ่งไปที่คนเป็นหลังหรือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีอมนุษย์ที่ไม่น่าไว้วางใจชุกชุมที่นั้นหรือเป็นแดนของเรื่องลึกลับอย่างนั้นเราก็แผ่เพื่อการนั้น เป็นหลักเป็นอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปอยู่ในที่ที่เป็นดินแดนของคนที่เล่นเวมมทมนม์คาถาก็ให้เราแผ่ป้องกันแผ่ปฏิเสธขับไล่สิ่งทั่วนั้นเป็นเรื่องหลัก หรืออาจจะแพ้จิตไปแล้วก็ไล่เลียงสิ่งที่เราต้องการจะไปเสร็จขับไล่เป็นอย่างๆอย่างๆไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้ถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านของเราเป็นปกติอยู่และไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเรื่อง ใดเรื่องหอนึ่งชัดเจนนะเราก็แผ่ทั้งแก้ไขและป้องกันโดยการเริ่มแผ่จากตัวเราเนี่ยขยายออกไปแผ่จิตออกไปโดวยวิธีการต่างๆตามมาแล้วก็ใส่ความปรารถนาปฏิเสธคนชั่ว ไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้หรือเมื่อจะเข้ามาก็ข อ, ขอให้เป็นคนดีมีบุศลุญสันตเมื่อก้าวผ่านเข้ามาในเขตของเราส่งจิตขยายออกไปโดยรอบจากอาสนะที่นั่ง ขยายออกไปจนทั่วบริเวณบา้านขยายขึ้นไปสู่เบื้องบนแล้วก็ลงไปสู่เบื้องล่างทั้งบนดินใต้ดินบนอากาศ แล้วก็มองลงมาส่งกระแสส่งพลังไปที่บ้านและรอบๆ บ, บริเวณบ้านและให้ขยายออกไปนอกบริเวณบ้านออกไปไกลออกไปเท่าที่เราปรารถนาจะแผ่ทำแล้วแล้วเรา เป็นดีก็เท่ากับเราขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปขับไล่ความชั่วร้ายออกไปขับไล่คนชั่วร้ายออกไปทําผีทําเปรดให้เป็นเทวดาก็เท่ากับทําการไล่สิ่งร้ายออกไปในลูกหนึ่ง ทำความรู้สึกว่าใครเป็นคนชั่วร้ายแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ขอให้อำนาจเมตตาจิตจงปฏิเสธจงขับไล่<ม>เขาออกไปถ้าเขาดีไม่ได้ก็ขอให้เขาไปสู่ที่อื่นที่ทำให้เขาดีได้ให้เขามีความสุขได้ในที่อื่น อยู่ที่นี่แล้วดีไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่เก่งพอที่จะช่วยทำให้เขาดีช่วยทำให้เขามีความสุขทางใดเป็นทางดีทางชอบของเขาขอให้เขาไปทางนั้นและไปได้ดิบได้ดีในที่อื่น เป็นอำนาจชั่วร้ายที่เกิดจากเวทมนตร์คาถาลมเพลลมพักหรือเจตจำนงโดยตรงที่มุ่งทำร้ายเราทำร้ายอัังินของเราทำร้ายบุคคลในปกครองของเราขอให้อำนาจเมตตาของเราเนี่ยที่แผ่ออกไปจงสลายจงกินพลังนั้นจงดูดซับพลังนั้น ให้สลายหายไปไม่เป็นโทษแก่ใครไม่ว่าจะเป็นผู้กระทาหรือผู้ที่จะถูกกระทาขอให้อำนาจของเมตตาภาวนาซึ่งเป็นกุศลเป็นธรรมนี้จงชนะ สิ่งเลวร้วายนะั้นให้ศูนญสิ้นทิฏธนาการไปไม่มีส่วนเหลือ หรือได้ถูกจับจับให้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแก่เขาที่เขาไม่สามารถจะกระทำความชั่วได้หรือเกิดสำนึกในทางชั่วได้หรือเป็นคนดีขึ้นได้ขอให้ส่งกระแสจิตปฏิเสธออกไปด้วยความสำนึกอย่างนี้แล้วเล่าเล่า แล้วๆเหล่าๆเอาละพอสมควรแก่เวลาต้องไปหัดทำบ่อยๆ <c oughs> แล้วก็เราก็จะพบถึงวิธีการวางใจใน ออบางทีเนี่ยไอของบางอย่างเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งแปลกแปลกนะออผมเองไม่นึกไม่ออกว่าเคยเได้เจอได้ได้มีของอะไรไลักษณะนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีพวกเราเนี่ยบางทีผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้ ว, ลวที่ไปได้ไอทัพรวมมาแล้วก็มันเป็นของเก่า อ, อแล้วมันก็มีอไอสิ่งลึกลับอยู่ในนั้นมันเป็นของเก่ามาก เวลาเอามาก็มันได้ของมาด้วยได้อะไรมาด้วยก็ไม่รูแล้วก็มาสรุปบทวด่ายแล้วบางรายเนี่ยเป็นในทั้งหลอแล้วไปได้ปลามามันก็สิ่งติดอะไรมาก็ไม่รู้เอามาแล้วก็เอามาไหว้ก็ปรากฏว่าแทนที่จะเป็นล้างกลายเป็นผีโกรกมันจะปะเน่นะฮแล้วก็กลายเป็นไม่ดีแล้วก็ไปตกกับใครก็มีสิ่งเรือร้อนนี้ไปด้วยอันนี้เรียกว่ามีสิ่งเวลวร้ายที่มันเป็น ไม่ดีไอเราไปอยู่บ้านอยู่ช่องพักโรงแรมเนี่ยนะะไปไปต่างประเทศหรือไปต่างในวนเนี่ยก็เจอบันทีไปเนี่ยเราต้องขอเปลี่ยนห้องคือเขามาขอเราเปลี่ยนว่าห้เราก็อย่างว่าเขาสามมาขอเปลี่ยนเราอยังไม่เปลี่ยนะไปตัวก็ไม่ได้เราก็ต้อ ง, องใจดีเก็เถอะไม่เป็นไรเราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปช่วยแผ่เมตตาแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็อยู่ได้ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่ถ้าเราไปเนี่ยเราถึงไม่รู้มันมีอะไรเนี่ยแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่เจออะไรจะไม่มีอะไรมีก็กลายเป็นดีนต่อหน้าเราคงจะมาต่อกันดีนะเกี่ยวกบตรงนี้เดี๋ยวก็เรื่อนี้ วันนี้พอสมคนรกเวลาครับขอปิดประชุมท่นนี้เลยไม่ได้อยู่ที่สงุษบกถ้าถือว่าทําแล้วครับ